พระธรรมเทศนาแผ่นที่93ลำดับที่27โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีแสดงธรรมในวันที่4กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าเป็นหูเป็นตาร่วมกันอีกสองวันพระ เป็นว่านเขาพันสาแต่ในเรื่องการก่อสร้างโรงพอ่อคิดว่าน่าจะงดงดนนในพันสานี่นะห้างประจําเป็นถึงขนาดนั้นหรอกแา่ว่าต้นหน่อยเพื่ชเฮ็ดสองหนามเฮ็ดขึ้นมาจะขายโยมผู้ที่เขาอยากมันว่างงานเดีย๋ยวมาหเห็ดกระไรเฮ็ดห่องนามซีห่องใน สาลาปปาษาแต่เหตุก็จบละแต่เจอเหตุแบบเรือล่างนะบ่ต้องให้พระไปเกี่ยวของการจิเหตุก็ต้องเอาย่มเหตุการบมเหตุก็เศร้าไว้ก่อนจวนจะขอพรรษาแล้วไปเห็ุทั้งแรงทั้งฝนผมแม่นแนวหรอกวัดของเฮ้าก็เห็ุมาหลายแล้วจากแม่นยางต่อแม่นยางแต่ลวงพอจีนเน่นนักเรื่องรักษาปลาแล้วปีนี้นะ จากนี่ไปสามปีละรักษาปลาแต่เบิงเบิงคูบานเนี่ยจะบวไรเรื้องเบิงล่ะเข็นแร่วเข็นอีกพอจโรเจลเนี่เอาจังไรกันปะเบิงหน้าเถาแกน่เอาจังไรที่บ่อเหมาเส้านี่สิเอานักเรียนมาซอยบ่อหรือสิติดตอ่อทางทหารทหารเขาก็เออสิมีอยู่เอาทหารจากกรมกองมาซอย ลิจะเอานกเรลียนมัตยมมาซอยอันจิปลอยคู้บายทำงานเนี่ยคือจะบ่้เรื่องลกพอเบ่งแล้วพอไปบอมากทางใดคั่วคือกนันนะน้ะทางนี้ทางนั่นกองทับไปด้วยทองให้พวกเฮาถ้าว่าช่วงใด มีคนมาเฮ็ดงานกันเรื่องลุงขั่วก็ต้องเตรียมพรอมขึ้นกันนั่นแหละจะให้ได้บอกกันพอปีนี้หลวงพ่อจิตเล่งเรื่องต้นใหม่จะรักษาต้นใหม่พอมาปลูกมานานปลูกมันมากแล้วแต่หลวงพ่อก็ยังไม่ได้ยางไปเลาะมันขึ้นกันนะมันปลูกเต็มจริงบ่แต่ข้าวกอนไปผ่ผ อ, อเต็มแหลวเต็มแหล่ผล ว, วาได้เ อ, อพระ ผักชีร้อยหนาบาหน้าไปทางหลังนหนโ ซ, โซเซเวปาก็บอกไปเฮ็ดทั้งซี่ก็เป็นนั่นสู้เจ้าเอ้ยวันนั้นต้องบังให้ชัดเจนจะ ก, ก่อนย่งคอยมาบอกก็หลวงพอ่อนี่ไปปอบสุ่มซีซุ่มหาขันหลวงพ่อบ่อเสื้อมันบมดเสือ่อตัวหนึ่งมันบมดเสืออเส้อที่สองที่สามที่สีที่หมันบมดเสื้อหอดมือตายพวก น, นะ น, น่ะพ่อยไหตมันโบเสือ้อเ อ, อเฮ็ดอย่างไร ขั้นมัน่นเสือแล้วเห็ดอ อ, อกมากจิงเลยนะเออเข้าเสือเลยเลยเสือหอดมือไถมัะนออกไปเห็ดมากอะจิงจังตามนั้นอขั้นที่เห็ดพ่อโจโร่เห็ดนั่นวะนะมันเข้าบัาเสือเข้าบัวเสือหอดมือไถเพราะนั้นผู้ใดก็ตามพระองค์ใดก็ตามย่อมผู้ใดก็ตามอขั้นเหตุกับเข้าหรือว่าเข้าบอกไปแล้วสั่งไปแล้วนะ่ะอย่าคำว่ า, าพักชีด้วยหนาครับผมครับผมตอ่อหนาะอย่าไปเเว่นะ ขันว่าไปแล้วมันมันบอเสือหอดมือใดพวกนะวนันไหนพวกเฮาเบังผู้ใดทํำนาทีอย่างทํำมาจริงจังขันว่าบอดใก็บอกว่าบอดใมันบอดเต็มก็บอกว่ามันบอเต็มเออจะไปว่าวเนีว่ามันเต็มถามพอดีผมจะให้พูกนั้นจะไปถามให้อย่างผู้อื่นก็ผมบอดโลแล้วก็บจบทนตัวจะไปหาทีมไอ้ผู้อื่น่ะ เคคืดนาทีของเห่าเป็นผู้สั่งเห่าคันว่าเห่าบอดเหตุกับว่าผมบอดเหตุครับผมติดโธรครับเห่าก็จะบอดสั่งอีกต่อไปแปลว่าสั่งแล้วมันบอแดงสั่งกัแล้วมันบอดเป็นเรื่องเห่าก็จะบอดสั่งยศสั่งวันออกไปองค์นั้นเพเื่อเผอจะไล่ออกจากวัดอีกต่างหากพอเหตุใดพออยูไปมันก็จังสันแล้วรูปหน้าปะจมูกไปเลยมันบอจริงจัง ภายในเบิ้งนะพระทุกองค์นะปีที่เท่าจะรักษาต้นใหม่ปลูกต้นพอออกปลาลงหมากปลาไผ่ที่ยังวานะก่อไผ่เอาล่งเป็นเกือบเป็นลอยเกานะเสียปลาไปมากพอก่อไผ่มันคุ้มต้นใหม่ภายในปลาตน้นไผ่เมื่อตายขวยอย่างพวกเท่าเห็นนัะนะ่นแหละภาในเท่าก็ปลูกต้นใหม่ขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังบัท่านหลวงพ่อเองบัวแตงยางบางทุกหม่อง มันเต็มมดบ่อปลาใหม่แต่ว่าหย่าเนี่ยกำลังขืนอย่างมากเลยคันว่าบ่าเอาบ่อท่านที่เดี๋ยวนี้กันหมาหยาเมืเ่อกี้ทีุ่้มต้นใหม่พอคุ้มต้นใหม่ต้นไหม่ข้นบ่อไรก็ไปว่าจิรักษาต่อไปมั น, คคนก็น้ขืนบ่อไรขึ้นเก่าเพราะว่าต้นใหม่มันอ่อนแอแล้วเพอเอาต้นหญ่าออกไปเรียกว่าพวกวัชพืชวัชพืชออกไปเลยต้นใหม่กันนี่แหละ แปลว่าข้ออ่อนข้อพับแล้วมดกำลังเนี่ยนะกำลังที่เอาเอาช่วงนี่เอาอยาจากตนใหม่วันไห้เบิง้งซอยๆกันเนอะจะเอาจังใดติดต่อจังใดการผู้ที่เกี่ยวของกันนะขอทั้งกำลังทั้งนักเรียนมัตยมทีมีศรัทธามีกับมาลยาที่ดี แต่ที่ยังไงก็ตามพวกเข้าต้องมีอาหารต้องเลี้ยงดูผลหมากลักไม่พวกนำสมน่านหวานเลี้ยงเด็กนักเรียนเเขามาหรือจะเป็นผู้เช่าบ้านก็ตามระดมเช่าบ้านมากก็ บ, บอกมาในหมู่บ้านกันระดมอะไรคือเอาบอกมารงพอมีแนววิธี ได้หลายอย่างขกันต่ต้องปรึกษากันเบิ่งกอนเอาจังไหนถ้าบว่าบาเป็นลูกพอกบอาจากลบกวนทั้งทังไกลทังทหารเขาก็บว่าระนาว า, าวยุามีความจาเป็นขอทหารเขามาซอยการัวบอดจำเป็นทังไกลเข า, า, า, าก็บาจากบอดจากออกมาจากทั้งไกลวร จ, จะเอาทางไกลเข้าในกอเบิ่งกอนแต่เนี่ย แต่ว่าจุด ม, ม, มู่หมายทุกม่หมานทุกเฮ้าเน่ยเฮาจะรักษาปลาปีนี่เรื่องวัตถุ ก, ก่อสร้างเอาไว้ก่อนพอแล้วเพียงพอไว้ก่อนออกคนสาจะวากันยังคอยว่ากันอีกเกิดปฏิทินเฮ็ดหนังส่วนไฟพระด้วกันเวลาคนมาทํางานทุกเกี่ยวของก็ บ, บอกกันให้ไปดูให้เป็นแร่ส้อยกันตัง้งกึ่นมาผูกพาเกาว้ามายบดต่องไปหุ่ง เอาผักเกลืนี่นแหละเข้าฟึกมาพอแห้งล่ะฟึกมาแหละยังอ่อนแอปวกเปียกมันบอกมาองได้พสูงาาสงานขั้นหมสูงงานเขาจะไล่ออกจากวัดในพรรษาเขาก็ไล่ออกไต่พอปีหยังอาพอพระพอตั้งใจจะไว้ให้หยังมันนักวัดหลวงตาเ่านนักวัด ว่ต่างพระว่ต่างใจ เ, เมื่อทํางานก็ต้องทํางานมันบมเป็นที่ทำกู้มือเมื่อออกไปทํางานก่อนออกไปเบิง้งพอวันยศกย็ยศให้หู่จักไผน้าทํำนาทีหยังให้เบิ้งนาทีของเจ้าของให้หุ่จักนาทีของเจ้าของนาทีเ่เฮาขึ้นหยังให้พระที่เป็นหัวหนาขึ้นกัน ไปชุ่มกันเบ้างว่าว่างแผนจังไรองค์ไรทับนาทียังมันต้องบอกกันใหญ่เข้าได้นักใจมาอยู่กับเข้าจะให้เข้านักใจขั้นเข้านักใจเข้าจะไล่มันออกมัดทุกองค์เข้าจะอยู่ผู้เดียววะขั้นพระผมมีคุณภาพเข้าสอนพระมาเนี่มาสักปีแล้วสอนให้มีพระ ใส่ใจจิตใ่ปัญญาใส่ความอดทนใส่ความรอบขอบแต่ผลออกมานี่ไ ม, ม่แต่ขีเกียดขีขานหลังเ ย, ย้เาบ่อใดเท่าบ่เคยเฮ็ุมาจังสี่เทาอยู่กับคู่บาจานันเท่าเคยมาแล้วเหตุจังไรบร่แป็นที่พิษเอาปล่อยบ่อยเอาข้ามอลอก ง, งอกแลกแงกมาอยู่ลำกันมันพอไดเป็นอาจารย์บอกมา บอกเข้ามาหลดก็ว่าเก่งใจปมมี่มมีความว่าเก่งใจผู้ใดเก่งใจจะทำเท่านั้นแหลักลเหตุผลกับม่ายกเมื่อไหวโหลดย่อมเรื่องกิเลสนี่บอ่อแล้วถ้าเหตุบอ่อถึกไปบอไปตามถ้ำก่อองถ้ำเป็นพระแสดงแงงบอกมา มันจะแรงแงงไปวันไดมีดอีตโตัเขาสีย่ำหลุดว่ะกันผู้ใดจะแรงแงงบอกมาหนะ่าอันนี้าสอนให้เป็นพระดีพระมีคุณภาพพระมีคุณธรรมทั้งในครั้วก็เบิ้งหน้าจวนจะเข่าพันศาแล้วที่เขาเคยใช่ของีหยังที่เขาเคยใช่ประจําเนียพวกถุงพระจะตอกถุงพระจะติ๊กยังก็ตาม ที่เขาเคยใช้นะะั่นแหะขาดเหลือขาดตกยังกับอกเขียนเป็นรายการมากจะเอาอยัางแน่เสียมาชยใช่ในในพรรษาก็ บ, บอกกันจะตูตปัจจัยที่ใดมากกเพื่อมาใช้ในวัดเท่านะี่ยนะเพื่อเป็นปัจจัยซแตใ่ใส่ให้เป็นตอนนั้นแหละจะไปใส่สุลุยสุไลใส่จนคารวะเขาบ่าใส่ตัวเองเอามาใส่ แบบพุงเพื่อทั้งกินทั้งทิมอนนันตมันบ่แมนแนลเอาเป็นพระครบือได้วัด ต, ต้องประหยัด ต, ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนของอนุชนรุนหลังการจะใช่ใจใ จ, ย, จ ย, ยังต้องให้รอบขอบว่แมนตี่ทั้งกินทั้งทิมเวลาเขาเอาของมาให้ขึ้นกันในครัว้วต้องให้ความสําคัญกับผูกเขาเอามาให โมเมนเขาเอามาไหาล่ละครโมเมนต์หญาิพี่น้องบอลข้นหมูจักกันเฮ็ดแลงแงงอันนั้นมันโบถือกึอกันนี่โมเมนต์นิสัยของหลวงพอ่อหลวงพ่อแล้วมาไห่ดีมั้งอีิไหวใสเป็นเท่ามันหลายเออเอามันหลายลเลยเด่อก็บอกเขาพอเขาบูงจักว่ามันหน่อยมันหลายาข้ามันหน่อยเออมาข้าหนายคอยมาอีกเนาะข้าวใ น, วนช่วงนี้มันหลายอยู่มันมีพอใสอยู่ช่วงนี้ แต่เขาเปนวัดทีบอกกรต้องบอกเขามีนามจิตนามใจพอเขามาทําเขาทํามาโดยศรัทธาบอแมนสิทธิ์บอพ่อใ จ, จะกระิแสดงอากับกิริยาจนเขาเห็นออกหนาออกตากระบอกแมนแน่วขึ้นเข้าเป็นคนสาสารณะเข้าเป็นคนวัดต้องอดทนต้องแน่วแน่ต้องใจเย็น ผูได้จิใจห่อนเฮ้าก็ต้องใจเย็นยิ้มล่องรับแต่ในใจของเฮ้าผมมีไฟหูอะนน้นในพวกเฮ้านะทุกคนนะมันอยู่ในวัดว่าศาสนาจะเพศขอลอแคลแบอะไรนะมันต้องจิตใจมีเมตตากว้างขวา ง, วางพระของเฮ้าขึ้นกันการชรงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้ที่เข้ามากเกี่ยวของมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนหเบิ่งกัน เป็นกลุ่มของเห่าเป็นท่าหยาติของเห่าเป็นหยาดติโกโหติกาของเห่าผู้ใดทุกข์ยากลําบากเจ็บไข้ได้ป่วยจังไดให้เบิ่งกันถ้มีความจําเป็นเรื่องจะตุกปัจจัย เ, เสนอขึ้นมาหาหลวงพอ่อหลวงพ่อไดจะตุกปัจจัยมากหลวงพอ่อบาริกใส่พกใส่หอ่อจะให้ลำให้ลุย่ย เ, เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีบแมเณเด้ ก็มาใส่ในหมูในขณะนี่แหละแต่ให้ใส่ให้เป็นเท่านั้นแหละะบรมนิชย์ออมาใส่คิดอย่างใดอย่งก็สั่งมาสุมศีสุมหาปอได้พอหลวงพ่อเห็นคุณคาจะตกปัจจัยที่เขาได้มากจกใส่หัวแล้วยกใส่หัวอีกนิพพาณนพะิจิโยโหตุอนาคเตกาเล่หวังพระนิพัฒน เขาทำบุญมากเฮาต่งเบิงเขาถือมาใส่สุ่มสีสุมผาได้ห่ดเดี๋ยวเป็นบาปต๊ะนรกอีกต่างหากเฮาต่องอู่จากคุณขา่าเรื่องจตุปัจจัยของเขาที่เขามาถาวายมากให้เกิดประโยชน์แต่เฮาบัวเป็นสีเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เพื่อหยังเก็บไว้ก็เป็นประโยชน์ต่อไปพ่ายภาคนาจิเฮ็ดหยังสีสางเกดีบ่จี หาเครื่องใหม่เครื่องมือแผลดมอ้อสางรงหลับลงเลยนสาธรรารณประโยชน์มันเกิดประโยชน์ทั้งหมดคณะห้อยเข้า ช, เชัเป็นกันชัยโบเป็นกันจังว่านี่ยนะกุดกุดด่นด่วนไปเลยบหุ่นจักเก็บบหุ่นจัก ร, รักษาไปเป็นหัวหนา้าไปเป็นสมผานกับมัดแนวเสีเหตุคือเห็นตกลงพอบัดนี่ยเพราะตัวเองบริหารจัดการม่แต่ไม่แต่ใส่จนฝุ่มฝุ่มเฟื่อยเหลือเฟื่อยใส่บหุ่นจักประม่าน เสียงเรานี่ให้พวกเข้าทั้งหลายนะพระทุกองนะที่เขามาศึกษากับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่จะสอนแอบปั่นให้เป็นพระให้มีความคิดให้คิดว่างแผนในชีวิตของเจ้าของว่างแผนในการเป็นอยู่ของเจ้าของในขณะที่อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยควรเฮ็ดยังไง ในเมื่อเราออกไปแล้วเป็นสมผ่านเราเข้าจี้ว่างตัวแบบไรเข้าจี้เห็ดแบบไรประหยัดแบบไรสิ่งของที่เข้าไรมากเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาโมเมนสมบัติของผู้ใดเข้าต้องเก็บต้องรักษาช่วยกันโมเมนต์อยู่ในบ้านเจ้าของ เ, เก็บเอกแบบหนึง่งพอมาเห็นของวัดจะทมเออปล่อยป่าละเลยผู้ที่เขามากมาเห็นโ อ, โอ้ตาย ของดีๆข้แมันบ้านเฮาเฮากรถิ่มได้เลยอันนี้มาโหดวัดรี่าเบิ่งนู้นเเออถิ่มมาลึงถึงถืดเลยออกมาขน ม, มาให้เทไรมันจะยั่งมันจะเหลือเนี่ยเขาเห็นเขากับมัดชัท่าในเมื่อมัดชัท่าแล้วกันน่ะเขาบวม่ า, มาทาบุญแล้วไปตัวเองกับบ่นว่าอดว่าอยากลเลยพอเหตุอะไรมันออกไปจากเจ้าของเป็นส่วนมากพราะ น, นให้พวกเข้าเบิ่งเจ้าของนะให้ประหยัด เอ่อบมนไหกีทีให้หูจักประมาณในการบทการใช้ของทุกชิ้นให้ใหู้เห็นคุณค่าพราอมันมาเป็นสมบัติของเฮาเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเขาให้มาโดยศรัทธาเดี๋ยว่ า, าเฮามาแล้ว เ, เก็บรักษาไว้แล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ขันว่าผู้ใดมาวัดว่าศาสนาวัดใด เบืเ้อเหรพนมาขอแล้ ว, ว่ากพนบอไดขอก็ตามจะเบื้องพนจะทันกระถามดอกอยากได้อดีป้อขาดบอ้อยากไดป้อการเพิ่นต้องการมากกว่จัดให้เพิ่นถวายเพิ่นไปให้เกิดประโยชน์สนะัท่าญาติโยมมากขึ้นกันกันพ่อที่แบกแบงปันในโมเมนของเป็นคารุพันธ์คารุพัน์นคือของนักแต่เป็นถวยโถโอชม่มเป็นของน่นบอกวรแจกฆราวาสแต่แจกไปน้ำบอไดเป็นอวบัต แต่ว่าคล้องใส่ไม่ช้อยเป็นยุกเป็นยาเป็นมลนเออเอาพอถึงจะแจกได้ก็แจกเฉลือเพื่อแพ้ไปให้มันเกิดประโยชน์อย่าไปถิมไว้ซื้ อ, เ, อเก็บไว้มันก็เก่ า, เ, าเก็บถือือก็เสียของอีกอให้พวกเขา้าทั้งหลายเนอะชอยๆกันเบิงของมลนแต่สรุปแล้วปีนี้หลวงพอ่อชิ้นเน้นนักเื่องตนใหม่ให้เขา้าให้พวกเขา้าทุกคนเข้าใจพระทุกองเข้าใจ จะรักษาต้นใหม่ไปสามปีแต่หนาแรงกับ่มมีปัญหาหรอกแต่หนาฝ น, นยังที่ละสามปีพ่อสามปีใหม่ก็บิีเป็นต้นเป็นลำละปลูกมันปลูกง่ายรักษาน่ยมันรักษายากก็จะรักษาได้พวกเฮาคิดให้ดูให้ดีก็แล้วกันที่เป็นใหม่ปลาที่เฮาเห็นเต็มปลาเนี่ยมันเหม็นธรรมดาเด้หลวงพ่อในเป็นผู้ อ่ำนุ่ยการแล้วว่าเป็นผูดดูแลมาเอาเด็กนักเรียนมาไม่รู้ท่อใดต่อท่อใดมารักษาปลามัานยัยงไงพวกท่านทั้งหลายได้เห็นเนี่ยโมเมนมันจะเกิดขึ้นมาตามลําพังโมเมนต์ขนั้นมาถึงจุดนี่มันเรื่องจะต้องปลูกพวกท่านก็ต้องดูแลไอ้ซอยกันดูแลเป็นหูเป็นตาร่วมกันอตรงไหนที่มันว่างๆยกเอาผลมาปลูก รถของเฮ้าก็มีปีกอัพนี่ยจะไปจอดไว้ยังเอาข้นครับครับคู่บากข้าไปกันเนี่ยท้องสามข้นไปเอาท้ำลุ่มไปกับปลูกคู่บาเป็นคู่ปลูกเขาเป็นท้ำลุ่มให้ไอ้ซอยกันปูปกรณ์เขามีพอมอยู่แล้วสมัยก่อนแห้งหายกว่านี้มีแต่หนูใช่รถหนูหนูไปปลูกขนาดย่งขนาดยังยังเป็นปลาเป็นโดง่งยังพวกเฮ้าเห็นน่ถนนโหนทางกับรถไปบ่ใดอีกต่างหาก เพื่งรถไปได้ก็ไม่นานมานี่เองอเดี๋ยวนี้ก็เห็นมั้นนะไปที่ไหนก็สะดวกสบายมัดพวกทันทั้งหลายถี่มาอยู่ชุดถ่ายผ้าหลังถม่าเห็นความสะดวกสบายสิมถิมาแบบเสคข้าทาปอฟูดฟาดมันบมแมนนะเป็นเหตุมา ก, ก่อนพอแห้งแล้วปลาใหม่ปาโถมพงไพ่เห็นมั้นนะปาใหม่สักไม่สักทุกตนคือปลูกทั้งมัดบ่มีในทิน่นี้เป็นไม้ปลูกนะ ที่เป็นชั้นแสนตนอยู่นี่มันโมแมตนต์หน่อยที่ไม้สาี่เขาปลูกปลาดูมักขาดตะเคียนท่องเขกืกันกำลังปลูกไปเรื่อยๆใ้พวกเขานะซยซอยกันเบิงปีนี้แนหะปีเริ่มใหม่พอว่าเข้าออกไม่ไปปลาปลาไพ่ลงหมากปีนี่มองไหนที่มัน เป็นปลาที่ผมมีผมมีตนม้นไม้ให้เห่าก็พยายามเอาปลาเล่าลงเอาต้นเล่าลงต้นแขมลงอย่างพวกเล่าพวกเห่าท่านหลายได้เห็นนั่นแหะมันโมเมนตนม์ต้นไม้มันเป็นปลาเครือขเข่าเถาวัลย์แต่ถึงอย่างไรก็ตามเท่าพยายามปลูกให้มันทดแทนให้มันเป็นปลาโดงขึ้นมาอี ก, เ ร, ก, อกเราจะเน่นพวกไม้ ย, ยืนตน้นเน่นนักคือไมพ้พื้นพื้นบานเห่า ปูมะขามตะเคียนทองไม้ย่างไม้แดงไม้ซักและก็ไม้ผลละไม้อีกคละกันพวกต้นว่าต้นส้มผู่อาคารนุนมะม่วงอันนี้เขาบริเนนนักแต่ว่าเขาสลับสลับกันกันกบต้นไม้ปลูกริมริมริมริมห่วยริมริมคลองเปื่อยมันออกไปทั้งห่วยคลองตน้นไม้เรานี่ แต่ต่อไปพ่ายผากหนาก็เป็นอาหารสัตดพวกนกหนูปูปีกทั้งหลายก็หอกกระแตทั้งหลายก็ได้กินกนรทำปลูกร ะ, ะใหม่ยืนต้นย่างเดียวมันก็แห่งแรงเกินไปสัดก็จักเสืพึ่งผ้าอาศัยไง ก, กินได้จังไลยเพราะซัต์ในวัดเข้าก็มีมากกระหลอกกระแตถ้าว่าเราปูกผลหมากหลากใหม่โมนี้เขาไปอีกมันก็เป็นอาหารของ ของสับปสัตว์เฮ้าจะไปม่องแต่ตนเองม่องแต่เฮ้าอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องม่องสัตว์ที่ไรฉ า, าน้วยมือตอนายหลวงพ่อก็าได้พูดเหลืองประตูวัดนะประตูหัวประตูวัดของเฮนะ้าทั้งปลาซากนะาไปเปิดไ ว, พว้พุ่นคนขีมอตอจะไหลวงก็ไปพุ่นไปเบิ่งวัดพุ่นเขาไปทางในพนุ่น ถามพระกระบอกหูบนไปทางอื่นบายในลใหลวงพ่อไก่ปิดทางพผน่มทั้งพผนหามเด็ดขาดไว้ค้นเขาออกไปได้ให้รักษากุญแจทั้งพผนวัตทางปลาชาทั้งปายชาให้าากันแล้วงานให้รีบปิดอย่าไปเปิเปดไว้ทางประตูทางนี้คือกันทางออกนะ่พวกแม่ขั้วให้กันพวกในขั้วนะโดยมากม่นขี่ขานไะด้เลยขี่รถนะมอเตอร์ไซค์แป้นออกไปเลยบูบัสบู ป, ปิดหัวประตู พอเปิดอะไรก็ไปแล้วก็บวบปิดคนในวัดท่องห้องผมมีกดผมมีระเบียบผู้ใดออกไปต้องปิดทุกครั้งตันนี้ต่อไปนะคานว่าเห่าเห็นนะนะคานว่าเห่าไปเห็นออกประตูออกไปแล้วยังบวปิดประตูนะระวังให้ดีก็แล้วกันนะอบอกว่าให้เห่าให้ปิดประตูเพอเห็ุไดเพราะปังที่เตาตัวบักใหญ่ตุมเตียมตุ่มเตียมมันจะออกไปตเตาเพ็กน่ะเตาโคก อที่หลวงพอ่อเป็นห่วงก็คือนตู้ขาพนวัฒน์มีเก่งตัวหนึ่งตัวบักใหญ่ตัวแม่แม่ม่านอีกต่างหามันจ่อจุ่มันจะออกจากมันจะออกประตูทั้งหน้าวัดนี่แหละข้าวเปิดไว้ประมาณสัตว์ตัวใดจะออกไปได้หมาตัวใดได้จะอบจะขอมาเลยมาลาสัตว์ในวัดเท่า เซิงโม่เนี่ยมันต้องดูแลนะดูแลวัดว่าศาสนาแต่บางคนบอกว่าประตูปิดประตูวัดปิดเขาอะไรขั้นเขาโง่เสิร์ฟนัญหาต้องให้เขาวัดเท่าเท่เพราะต้องการคนโง่โง่เสิร์ฟตรงการคนเฉลียวฉลาดคนหลอบขอบลงมาต้องเปิดต้องเบิดดูเขาเขียนว่าจัางไรประตูเขาก็บอกไว้อยู่แล้วพวดนั่นเท่าเพระต้องเป็นห่วง เรื่องกูคนจะเขามาข้าบอเขอมา้าโปรอะไรออกไปต้องปิดถ้ามันเปิดอยู่แล้วก็ต้องปิดเวลาเขามาก็ต้องปิดเวลาเปิดแล้วก็ต้องปิดตัวเองเปิดก็ต้องปิดถึงเขาเปิดไว้แล้วก็ต้องปิดฟังไว้นะอะไอีกอย่างหนึ่งประตูทั้ง อ, อทั้งพุ่นขึ้นกันนะ่ะใส่กุญแจไว้ขันพาวโยู่บุกคนจะให้คนไปเพนผ่านบุญไหว ไปมารักษาห้องน้มยากอีกต่างหากในพรรษานี่เบิรนะพระเวนซาราเนี่ยนะพ่อเช็มาแล้วก็ห้ไผให้เล็กน้อยก็ ไ, ไปไปใส่กุญแจไปทางนอกนะพอหลวงพอ่อพ่อถอยใส่กุญแจไว้เนียเหมือนเศ้าเขาจะเข้าห้องน้มก็ให้เข้าเข่าขันบวกนั่นไ็ผมมากลับมาตอนสายกับปิดกุญแจอย่าไปเปิดไว กุญแจทุกบ้าล น, นั่นแหะเล่าต้องรักษาอันนี้คือวัดของเฮ้าโมเมนต์มันเลื่องมีเรื่องมีเล่า เ, เกิดขึ้นแล้วยังค่อยเพลิดพลานเห็นม่้ล่ะแม่คโคตัว น, นั้นน่ะตั้งแต่สร้างวัด ม, า ม, า ม, ามา้าบ้านนียกนี่แหละเสียหายอย่างมากกับข้าวนี่นะฮะพักมือใจแมคโคไปตั้งสี่แสนกว่าเห็นไหมข้าบอกม้าไม่รัวกี่ขั้ง เบิ่งหน้ารถหน้าเขายังบอกคือเขาวาดร์บอกไผได้แต่ยิ้นเขาวบอกมาเลยว่าจากักฟอบปูรูจักกี่ครั้งมันก็เป็นย่างที่เขาบอกเห็นไหมแม่นไผ่เป็นผู้จใจไอ้พวกโงงงทั้งหลายพอใจสิมีปัญญาใจต่างหากขณะในเบิ่งที่หลวงพ่อว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นตัวอย่าง ย้อนนาย่อนหลังให้ดูที่หลวงพ่อพูดไปเลยมันโวยมากมันบอกคอยพิดนะพวกเข้าทุกทุกองน่ะทอยทอยกันเบิงประตูวัดทั้งปลาลำไยทั้งแม่ขั้วขึ้นกันที่เข้าไปก็ต้องปิดออกมาต้องเบิงซอยกันมิให้คู่บาปเบิงกบบระบอกไรผู้หนึ่งเป็นผู้ปิดผู้หนึ่งเป็นผู้เปิดอยู่กับขนผมมีกดผมไม่ระเบียบนะ้ำ มันนักนะมันบมเมนตนักแต่มันนักวัดอยู่รากันต้องมีกฎต้องมีระเบียบต้องรับผิดชอบร่วมกันพวกนึงรับผิดชอบพวกนึงบลับ เ, เปิดเซเ ว, เ ซ, เ ว, เ ซ, เวซาวาเนี่ยนั่นแหละบาตรหามันมีอายางเกิดขื้มาหนะักมันรับอะไรนะอย่างเมื่อกี้นี่คือกันเมื่อเช้านยลยหลวงพ่อมา ลูกฐานมาันจะใสออกมาจากมุกดาหานโอ้ลูกวัดของอาจารย์ลงพอนยเขามาลักปรตูเสพได้มืกขึ้นเนี่ยนะแต่เห้ามันเข้ากับว่าจารย์ตูเสบเข้านะแต่ว่าถึงยะงไงกันมันก็เสียมันเสียเสียที่เห้ามาบนรักษา วัเท้าต้องรักษาอ่ารักษาทรัพย์สมบัติของเท้าการหอบวรักษามันเสียหายเกิดขึ้นมากแล้วนะมันเสียหายไปมากเสียหายไปไกลพวาเท้าว่าได้ดูแลแต่กูลอันบางครั้งไม่ตั้งู่ได้นั่นเพราะสถานสีล ไม่สแสวงหาพัจจุที่หายแล้วปรูรณะพัจจุธค่ขาบูรูจักประมาณในการบริโภคต่างสตรีบุรุษทุศีให้เป็นเจ้าของสมบัติเนี่ยอันนี้พระโพธิเจ้าเป็นตัสเพื่อนบอกไว้คือการบวชหลักบุดูแล้บวรักษามันกระเสียหายได้แต่ทั้งนี้ท่านนันบ๊แมนหลวงพอ่อพระเทสศนี่ขี่ทิดขี้แต่นี่ที่เหนียวนะให้แต่ไปสอนให้หูจักว่ารอบค้อ เราอยู่นักจตฐานที่ใดให้รอบคอบภัยจะตามมาตรงไหนอย่างไรให้รอบคอบเรื่องที่จะเกิดขึ้นมาอย่างไงให้รอบคอบนี่แหละกันเห่ารอบขอบแล้มามองหนามองหลงมังสายมังขวา้ามองสูงมองต่ามอ่งที่ของเห่าที่จะอยู่อย่างไรไปอย่างไนใช่สติใช่ปัญญาใช้ความรอบขอบของเหาแล้วนั่นแหละเรื่องอะไร เกิดขึ้นมาเท่ากัแก้ไขพ่อแก้ไขไดใดเพราเหตุใดเพราะว่าเาาข้าได้คิดล่วงหนาไว้แล้วนะการบริคิดล่วงหนาไวนะโมได้เลยเสียหายเสียหายถึงจักสิแก่แบบไรอิ้าหากนะตอนนี้พวกเข้าทุกองคนะทั้งนี้ทั้งนั้นพระของเขาทั้งซีทิพระองค์นะูปที่มากเกี่ยวของร่วมกันทั้งในขั้วทั้งอย่างพรอมแฮห่ลอยนะ ภายในพวกเข้าซอยๆกันเบิงตูแลเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาบมเป็นสมบัติของหลวงพ่อนะที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นสอนให้ลูกให้หลานให้ชั้นทายญาติโยมทุกข์ทุกคนที่มาอยู่ในการให้มีความรอบขอบให้หูจักการดูแลรักษารับผิด ช, ชอบร่วมกันกันาราว่าผมปุ่นหนึงรับผิดชอบปุ่นหนึ่งรั บ, ชชบผิด ช, ชอบมันหนักเลยมันพูดที่รับผิด ช, ชอบมันหนักนักกับผูบรับบูหูจักรับผิด ช, ชอบ แต่ตัวเองโม่งจักหอกเพราะมันผู้อื่นหนักนั่นแหละพ ผ, ผู้อื่นมาบอกกับโกดั่เขาอีกบูวีบูวีอีกต่างหากข้ามันเป็นเงินสันบอกเข้าโอ้ยหลวงพอ่อยังไมั น, น, มนประตูมันก็บนปิดผู้นัน้นผู้นี้เขาบอกไปเตือนะมันมโมโม่โอ้เข้าอีกเงินบอกมาหลวงพ่อจะไปเห้มันเข้าวัดทําไปอยู่ไกลๆคนนะ่ะไหลมันออกนอกวัดคนนะ่ะอ า, าอยุไงยังอายุเลยขี่ขานปิดประตู ฟังฟังเอาไว้นะลูกหลานนะ ห, หลวงพ่อเราจะว่าดูก็ดูได้จะว่าดีก็ดีได้โอ้หลวงพ่อเนี่ยใจดีเลใจดีเลยย่ามบ่าหายนะกันย่ามใจตลวงพอใจห า, ายมาก็ล่องเบิ้งเสร็จแล้วแต่หลวงพอ่อเนี่ยหายเขาบอกหลวงพ่อเขาไม่เหตุผลเะยหลวงพ่อว่าอเอาเหตุผลมาว่าเอาเหตุผลมาปกคล้องกันะดูก็ดูไม่เหตุผลดีก็ดีไม่เหตุผลดีดีผ่ไมีเหตุผ่ไมีผลบมได้แล้วออ ดูก็ดูผมมีเหตุมีผลก็บรรยาอีกอยู่น้ากันยากอีกอดีจนนึกปาละเลยเละตุ่มไปไปมดะจนผมมีกฎผมมีเกณฑ์พวกเขาคิดดูสิจะยู่น้ากันใดดน่านบมแบบัอยู่บ่ได้นานนะเพราะเหตุใดพอมันผมมีกฎมีเกณฑ์เน่ยต่างคนก็ต่างอยากทําตามเพ้อใจทําตามอัตถาใจของเจ้าของอยากเหตุอย่างเห็ุพวกเขาคิดดูสิ มันอยู่ ร, ไรไ่วมกันบุหรีเด้ถ้าว่าพวกเขายู่ร่วมกันด้วยเก็ดด้วยกดด้วยเกณฑ์ด้วยลักถ้ำวินัยดย้วยศีลด้วยถ้ำมันอยู่ร่วมกันร่มเย็นเป็นสุขเลยอยู่ร่วมกันร่มเย็นเป็นสุขนักกระซอยกันเบิงมันนักผู้ใดนักผู้ใดเบาผู้ใดนักกระซอยกันไปแบกซอยกันหามซอยกันเพราะมันนักโมเมนต์ที่ผู้อื่นแบกนักกระจุ่ของเป็นหัวละแแห่แห หเห็นเขาหนักอีกสักมือหนึ่งมาหอดตัวเองนะเหตุจากไหนล่ะบัดต่างคนต่างทิมมันเกิดประโยชน์เพราะอะไรแพร่แตกเลยล่ะบาดเพราะเห็ุใดเพรมันหมูันหู่จักซอยกันแล้วการหูจักซอยกันผู้ใดนักผู้ไหนผู้ใดเบาควรบุควรจังใดผู้ใหญ่ในวัดพระลงจากหลวงพ่อลงไปมีอยังหาลือกัน ปรึกษากันปาลบ ก, กันแล้วก็ว่างแผนเขียนเป็นกระดาษออกมาแล้วพวกนัน้นกับพวกนั้นเป็นหัวหน้านะอย่างเดือนนี้วันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนี่หัวหน้านี่มีพระอีกหาองค์พระเก่าสักสามองด้วยสององด้วยสามองค์พระไม้อีกสามสี่องไปเบิ่งสารา้างนอกดนะ้องค์อื่นก็มาต่องออกไป เรต้องเฮโรกันออกไปให้เสนอคณะพวกนี้ออกไปพ่ออาทิตย์หนาอีกเอาองค์นันออกไปให้ตั้งกันขึ้นมาออกไปนี่แหละพออยู่ในวัดเนี่ยขึ้กันเออพอเวลาปัดกวาดแล้วทําความสะอาดแล้วเออเอามาทํางานช่วยกันร่วมกันพอได้จะไปเบิ่งหองหนาหองทาพอได้จะไปปัดทางหลังวัดต้องช่วยกันน่าทางฝนโปรตก พอหลวงพอบอกเลย14คำ8คำไอ้เจคำ14คำปัดให้ทั่วถึงฝนบัตกไผจูสายใด เ, เบิง้งวัดมันมีถนนแล้วปัดง่ายๆซอยกันดูแลทำความสะอาดแล้วก็เป็นทางจงกลมของพวกเข้าอีกต่างหากพอกับขึ้นไปเนี่ยมือนีกับขึ้นไปกเอาไม้ไปพาดกต่างเทียนขึ้นมาเลเดินจงกลม เขาเดี่ยวทางสาันทางเยา้าทางรถไผ่บัวพานหรอกเดินจังกรมนะี่ทางฮะเลยทางลงลงมันดีทางนั่นแหละเป็นที่ภาวนาของพวกเขากันปัดความตูวเล็สะอาดละ่ะโบมันทีมกอยู่ในกุฏิอย่างเดียวออกพระมาเดินจังกรมอยู่ถนนก็ไดโมมีผบริพานออกอยังมาขึ้นคันเขามี ความเพียรมีความพยายามการเดินอย่างผมดูกกไกลขุดแผงนอน่นรับอีกต่างหากมันจะขึ้นจะกุฏิออกมาเดินทั้งนอกไปเดินภาวนาอยู่ข้างนอกไปจากนั้นก็นั่งภาวนาเล่งความภาคเพียรนี่แหละอันนี้คือเข้ามาเพื่อภาวนาเข้าวันใดมาอย่างอื่นหรือมาอย่างอื่นถามเจ้าของเนาะถามพวกเขานู่เข้ามาอย่างมาหนี่มาหยังมาเที่ยวมาเล่นเมนบอกมาตากอากาศยังสิ่เด มันโมเมนชายทะเลได้โมเมนตรีสอร์ทมงนี่วัดฝึกฮัดดัดนิสยัยมาเพื่อเรียนรู้เพื่อการศึกษาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเรื่องศีเลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาสมถะและวีปัจฉนาวัดมันโมเมนต์มงพักผ้าอาศัยเล่นขั้นพักผ้าใช้เล่นยาไมา่อยู่นักวัดมาอยู่ให้นักวัด มาอยู่เงื่อมาเผื่ อ, อสถานที่ภาวนากันไปอยู่หมองอื่นเข้าอย่างเอ็ดอย่างอื่นกันมาอยู่วัดน่ยจะไปหาเหตุแบบผมมีกฎผมมีเกณฑ์บุริยนะเป็นสถานที่ภาวนาเป็นที่สถานที่บำเพ่นศีล ส, สมาธิปัญญาหลวงพ่อสอนแนวสอนอีกกอ ก, กอกเสากอกเกณฑหลวงพ่อบุรีสอนใ ห, ให้แนวอื่นนะเงี้ยกฎหมายจังสัน่นบอ เฮีนหมอจังสี่บอเฮีนเกษตรเออเกษตรนี่ยบอกอยู่ในรักษาปลาใหม่พออยู่ในป้ า, าแต่แนวอื่นหลวงพ่อบ่ได้บอกได้สอนนะมิตรสอนเรื่องศีลธรรมนะให้ภาวนาเนาะให้แหล่งความเพียรนะเดิดยังกลมนะหลูกล้านนะให้หูวจักนาทีของเจ้าของเนาะเข้ามาเนี่เพื่อมาเพื่อยั้งเพื่อการศึกษาเรียนรู้มาฝึกหัดดัดนิดสัย หม่อมเพ่นกายวาจาใจของเฮ้าให้เป็นพระที่ดีแต่ต่อไปพ่ายภาคหนาพวกเฮ้ามิรักไม่ฐานกีนมากจะเป็นฆราวาสหญาตดโยมกับเป็นคราวาส ท, ทีด่ดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเอาลักธรรมค้าสอนของพระพุทธศาสนารักธรรมข้มสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่คูบาอาจารย์นําไปประพฤติปฏิบัติอยู่สายลมเย็นเป็นสุข์มัดนะ่ะขันมีธรรมในใจ การมีแต่กิเลสราคะโทษสาโลภโกรธหลงนะ่ะนําไปใชนะ่มีแต่ความทุกข์นะต่อไปพ่ายภาคนาไปอยู่ใสมีแต่อยากอยากอยากความโลภนะ่ะมันมีที่สิ้นสุดพน้นอสุขกันนะ่ะอยากไปในทางที่ไม่ถูกต้องอไปโลภหโัโมกณะโมกณะในทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเขาเบียดบังทรัพย์ผู้อื่นเขายักยอกทรัพย์ผู้อื่นเข า, เอาสอลาดบางหลวงคืนมากนั่นแหละ ความชีพหายจะมาหาเจ้าของนะบ่มาหาผู้อื่นหรอกเพราะนั่นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเรานี่นะถ้ามีคุณธรรมในจิตใจเฮ้าอยู่จังไรเฮาอยู่แบบเป็นพระเมื่อเป็นพระแล้วเฮ อ, อยู่อย่างพระถ้าเป็นฆราวาสก็มีฆราวาสธรรมประจําจิตประจําใจให้มีศีลหักตามฆราวาสที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ทำคําสอนของป่อแม่กูบาจนาระนําสั่งสอนไว้ให้ปฏิบัติตามนั้น การปฏิบัติตามศีลตามธรรมหิวสายลมเย็นเป็นทุกขนะโคกเข้าทันทั้งหลายนะลูกหลานนะ่เป็นพระก็มีความสุขเป็นฆราวาสก็มีความสุขเหลืองอเตเลกกรลาปะตองห้วงหรอกแต่ขอสำคัญเข้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นแหะเป็นผู้มิสังสินเขาม่าเห็นเขาก็เกิดความกรบนับถือเหลื่อมใสเขาก็อยากทําบุญทําทานกันว่าเข้าเบิ้งนละย เ, เขาม่าเบิ้งหรอก เม่อมบสเป็นตาเขารลบนับถือเลื่อมใสเนี่ยเขาจะทําบุญทําท่านได้จังไดก่อนที่เขาจะทําบุญทําท่านเขาก็ต้องเบิ่งเหนือหน้าซะก่อนหน้าในเป็นตะวันที่ดินดีบอเป็นตะวนันเป็นตะวันผืชลงบอเป็นตะวนันไออย่างลงในแผ่นดินผืนนีบ้บอเนี่ยทำไป่มตก่กรกี่หินเฮ้เมตรกร่อนหินพลาญ ว่าลาหิเนี่ยมิตรกร่อนขีนแห่เยก็จะไปวานเขาลงอย่างไหวานเขาเป็นกบฏกินดอกะเนื่องจากวานเน่เขาก็ขึ้นขึ้กันนี่คือกันนะนน ก, นก่อนที่เขาจะทาบุญทาท่านเขาก็ตรงเบิงพระผู้ตีตาสูงนะเว้นใจแต่พวกตาบอดตาหมน่ยวานไปเลยเห็นว่าสมบัติของเจ้าของหลายว่านมองได้ก็คือเก่านั่นแหละ่ดเฮ้พอมันโง่เดีมันบวชคิด การผูกมีปัญญาก็ต้องเบิงลนะ่ะมองใดจะควรจะหวานมองใดบกควรหวานมองใดควรปลูกบกควรปลูกฮนะออันนี้ก็คือปัญญาทั้งหมดนะคนมีปัญญายอมหาทรัพย์ใดยอมปุ่นคนมีปัญญาต้องหาบุญใดหาบาปก็หาใดเท่านั้นคนมีปัญญานะพอมีปัญญานี่หาบาปก็หาใดคือการว่างแผน ลักขนันดังเถินขโมยพนูนขาพูนเนี่ยคนมีปัญญาเอยทำความสวก็ทำไรหมากทำความดีก็ทำไรหมากคนขยันยอมหาทรัพย์ได้คนมีปัญญาอยอมหาทรัพย์ได้นี่ยแหละให้พวกเฮาแต่มีปัญญากรารจัดการวางแผนจักการดำเนินชีวิตของเฮาเอาเหตุอย่างไรมันจึงจะ ถูกต้องเหตุอย่างไรมันจึงจะเป็นธรรมเหตุอย่างไรจะเป็นบุญเป็นกุศลเหตุอย่างไรดับเนืนชีวิตอย่างไรที่เป็นสัมมาทิฏฐิไปในทางที่ถูกต้องแต่ลำรุย้ยเชียงเรานี่พผัวเข้าได้ศึกษาได้เราเล่นตามรักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่คูบา่ายจันแล้วพัวเข้าจะเดินไปในทางที่ถูกต้องได้นะัลูกหลานนะพระเนนทุกองคนะ หลวงพ่อบอกเป็นภาษาพื้นบานเพราะหลวงพ่อจะเน้นนักให้พระดุ่นเกาจะทายาิโยมได้รู้ว่าเฮ้าสีเน้นเรื่องรักษาตนใหม่ความหมายของเฮ้าเมือ น, นี้น ะ, ะตอนนี้ไปเปิดเอ็มพสฟังเทศาการ น, น่าจะคอยเลือกกันพวกเขา